การรู้การเข้าใจผมทําพลิกมือขึ้นคั่ว ม, มือลงยกมือไปเอามือมาโบนหน้าถอยหลังก้มเงยเอียงซ้ายเอียงขวากืนน้ํำลายลงไปในนั้นข อ, ข อ, ขอให้รู้สึกตัวแนบพิษตาก็ให้รู้ความรู้สึกอันนี้แหละมากขึ้นมากขึ้นผมไม่รู้มันหายไปมันจางไปผมรู้มากขึ้นมากขึ้น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 เมื่อลูบโลกนามโลกรู้ดีแล้วก็รู้สมมุติรู้ทุกของอังอันนีจังอนัตตนี่เองทุกขังอันนีจังอนัตตากขสมมุติผูดขึ้นมาทีแรกผมรู้ว่าทุกขังอันนี้จังอนัตตนั้นผมงอกฟันหักเมื่อนังมันแห้งมันแห่วไปเมื่อมันย่นย่อมันยานไปเข้าใจอย่างนั้นแต่เมื่อมาปฏิบัติแล้วไม่เป็นอย่างนั้น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 สมุทยัยต้องละเราละมันโมดได้สมุทยัยครับเพราะมันเป็นตัวคิดนี่ครับสมุทยัยทําให้ทุกเกิดเอมันคิดเข้าไปในผมคิดบัด น, นี้พอเดมันคิดหรือมันบุกคิดก็ตามคข้ามากําหนดการเคลื่อนไหวอยู่อย่างนี้ครับพอดีเคลื่อนไหวเรารู้พอได้มันคิดปุ๊บเรารู้มันกำลังยุ่กับการเคลื่อนไหวนี่ครับยังไงจีว่าสมุทยัยต้องละมันละด้วยการเคลื่อนไหวีนี้ครับมักต้องจเจริญ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 ทิ้งนั่นแสดงออกมาแล้วเขารู้เองเ็เอ ง, งเขาใจเองคนนี้เพรานว่าวิล า, ากะขวมเบื่อหน้าขายกันหนักเขาเว้าซื่อได้ไหมต่อเมื่อเขาหูากก่นยักษ์กูได้มันจะเป็นวิลากะแท้ๆได้ครับอันเขาเว้าวิลากะโง้เปนเบาซื่อได้ครับขวมเบื่อหน้าขายกันหนักมันบมเบื่อเมื่อกี้เบื่อยังไงเมื่อเขาเห็นเขาเป็น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 อันนี้แหละตัจจะที่เปลี่ยนแปลงบุไดเป็นสัจจะเป็นกฎแท้แม้จะรู้ก็เป็นโมลู้ก็เป็นสมมุติคนที่โมลู้แบบนี้เมืองกับไต้เมืองกับเทาไปกลางคืนไปเดือนมืดจะตนหลักตนต่อลงฮูลงคลองแปลงนั้นบัดนี้คนที่รู้แบบนี้เมือนเขาไปกลางแจ้งไปมืดสวยเป็นตมเป็นเลนเป็นหลักเป็นต่อ เป็นเซียนเป็นน้ำอยูบย่บ่ใดเขาจะเหนมัดขอจีย่างไปสบายไปเป็นอย่างัรเพราะต้องการให้คนลูกของจีนที่ฟังผมว่าเนี่ยเตโบทันเป็นก็ต้องให้จำเอาไว้ผู้ยินกระสาผู้ตายกระการตาจองแน่นอนนี่แหละเป็นบุญแท้เป็นกุุญแท้เป็นทุกซิ่งทุกอย่างทีเดียวครับถ้าลูกจุดนี้เรอกเหมือนฟ้าโขดิน เือนป้าโกนดที่เขาให้ทานลักษณะจิตทาคนสงบนั่นดีแล้วแต่เมันโบไม่สงบอันนี้สงบอันนี้เพนว่าวิมุติคือคนมุขพ้นหมดแล้วกพนแล้วย่อมมีเครื่องปัญญาให้ลดลดพ้นแล้วมีผู้มาตักเตือนว่าเก่าวของโลกไผ่เพิ่มตักเตือนว่าเก่าวทีว่าญาณปัญญาก็ได้ทีว่าเั้งแตกไ็ได้แล้วมพมเป็นเรื่องสมมุติ ดังนั้นจึงว่าแนะนำกันให้เข้าใจจริงๆเมื่อเราเข้าใจแล้วการพุทธปฏิบัติของเราก็ก้าวหนะ้าถ้าหากคนใดยังอ่อนแอหล่อแหลกอยู่แล้วยากที่จะรู้เรื่องนี้ผมรับรองในตำรับตำราหลัก ส, สูตรนักธรรมสันเอกบอกไว้ว่าผู้ที่เจริญสติประฐานสี่อย่างถูกต้อง และให้ติดต้อกันเหมือนลูกโตย่างนานเจ็ดปีย่างกลางเจ็ดเดือนอย่างเร็วที่สุดนับตั้งนึ่งวันถึงเจ็ดวันหรือสิบห้าวันมีอั น, น้ทรงสองประการคนวันหนึ่งเป็นพระอรหันในปัจจุบันสานนี้พบนี้หากว่าได้เป็นพระอรหันในปัจจุบั น, นพบนี้สานนี้ต้ อ, องเป็นพระอรลคาามีแน่นอนที่สุดคนวัน